สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่สิบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพซู ต, ตอนที่สามร้อยสี่สิบเรื่องผู้หญิงที่จับฐานล่วงไปเวนีพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอนนะครับบทที่แปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเอ็ดพระธรรมยอนบทที่แปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบเอ็ดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าไปในพระ พระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมจารและพวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและเขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่หน้าฝูงชนเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกําลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้ เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พิเยชูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินแต่เมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตรัสตอบเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกแต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายก็จึงออกไปทีละคนทีละคน เริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลาพังกับหญิงคนนั้นที่อยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าค่ะไม่มีผู้ใดเลยพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทําผิดอีกพี่น้องค่าวพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ ได้พูดถึงเรื่องราวของหญิงที่ล่วงประเวณีแล้วถูกจับครับยอนเริ่มต้นเล่าในข้อที่หนึ่งของบทที่แปดนี้ว่าเมื่อหมดวันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิงประชาชนก็กลับไปยังบ้านเรือนของตนพระเยซูก็เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศภูเขามะกอกเทศนั้นเป็นภูเขาแนวหินปูนนะครับมีสี่ยอดเป็นภูเขาที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มเป็นเทือกเขาติดกันนะฮะ เป็นระยะประมาณหนึ่งกิโลเมตรความยาวของภูเขามะก อ, อกเทศนะครับมีสี่ยอดแล้วก็เป็นเทือกติดต่อกันยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรถ้ า, าว่าพี่น้องไปประเทศอิสราเอลนะครับและยืนอยู่ที่กําแพงตะวันออกของเยรูซาเลม็มมองไปที่ภูเขามะก อ, อกเทศนะครับภูเขามะก อ, อกเทศกับกําแพงเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยจะมีภูเขานะครับขั้นกลาง หุบเขานี้เรียกว่าหุบเขาคิดโรนนะครับและเมื่อมองไปที่ภูขกขมมะกอกเทศนะครับใกล้ๆเชิงเขามะก อ, อกเทศเป็นทางลาดนะครับเป็นทางลาดตรงเนี้ครับเป็นที่ตั้งของสวนเกตเสมเน่นะครับพี่น้องที่เคยไปอิสราเอลแล้วก็จะรู้นะครับว่าสวนเกตเซมเน่นี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเยรูซาเล็มในสมัยพระกัมพีใหม่นะครับ ใครก็ตามที่ต้องการพักสงบจากความแออัดในกรุงมีต้นไม้สวยๆให้ร่มเงานะครับมีต้นสนสูงใหญ่มีต้นเมอร์เทลและมีต้นมะกอกเทศอายุเก่าแก่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีความเงียบสงบร่มรื่นเหมือนกับสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ทั่วๆไปพระเยซูก็มักจะใช้บริการจากสวนสาธารณะนี้บ่อยๆและครั้งสุดท้ายที่พระเยซูใช้ ก็คือพระเยซูทรงอธิษฐานที่สวนเกตเสมนีหลังจากที่ตั้งพิธีมหาสนิทศักดิก์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับย้อนในบันทึกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าตรู่เลยครับพระเยซูเสด็จมายังพระวิหารในกรุงเยรเซูซาเล็มอีกคนทั้งหลายก็มาหาพระเยซูพระเยซูก็นั่งลงตามคำเนียมของรับบีชาวยิวครับรับบีแปลว่าครูนะครับรับบีแปลว่าครูหรืออาจารย์และก็ทรงเริ่มสอน ในขณะนั้นเองครับทันทีทันใดพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีก็ได้นําหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกจับในฐานะร่วงประเวณีมาหาพระเยซูการแสดงออกของผู้นําทางศาสนานี้ค่อนข้างจะหยาบคายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมาขัดจังหวะการสอนของพระเยซูเขาฉีกหน้าพระเยซูโดยนําผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วก็ฉีกหน้าผู้หญิงคนนี้ก็คืออยู่ต่อหน้าประชาชนและก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงที่ ถูกจับฐานล่วงประเวณีพวกเขาเรียกร้องให้พระเยซูตัดสินลงโทษนางครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกเขาพยายามที่จะหาเหตุมาจับผิดพระเยซูเพื่อที่จะจับกลุ่มพระเยซูและเพื่อที่จะผะห a n พระเยซูกำจัดพระเยซูไปเสียในข้อที่ห้าครับพวกเขาทูลพระเยซูว่าในบทบัญญัติของโมเสสสั่งให้เราเอาหินคว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้พี่น้องครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องว่าเป็นกับดักของพวกธรรมาจารและพวกฟาริสีหากว่าพระเยซูบอกให้เอาหินคว้างให้ตายเท่ากับพระเยซูกำลังตัดสินประหารชีวิตนะครับตัดสินผารชีวิตก็มีความผิดเพราะว่าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้พิพากษาในขณะเดีวยวกันครับก็ผิดอีกกระทงหนึ่งก็คือไม่ได้ดาเนินตามสิทธิอานาจของโรมัน ในการตัดสินประหารชีวิตใครแต่นี่นะครับเป็นเหตุที่พวกเขาพยายามขุดหลุมเป็นหลุมดักหลุมพลางในขณะเดียวกันครับมองอีกแง่หนึ่งถ้าพระเยซูบอกให้พวกเขาปล่อยนางไปพระองค์ก็จะเป็นรับบีที่ละเมิดบทบัญญัติของโมเสสก็จะไม่มีใครฟังพระองค์อีกนะครับไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหรือหานไปางขวาผิดทางนั้นครับนี่เป็นกับดัก ของธรรมอาจารย์ฟาริสีนะครับเป็นความคดเคี้ยวเลี้ยวรถทางด้านสติปัญญาพี่น้องครับการหาเหตุมาจับผิดพระองค์จับกลุ่มพระองค์เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูในข้อที่หกยอนได้บอกว่าพระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินยอนไม่ได้ตั้งยอนไม่ได้บอกว่าพระเยซูเขียนว่าอะไรบ้าง แต่เราจะเห็นว่ายอนไม่ได้บันทึกเพราะเหตุที่ว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของยอนครับและในพระมธีได้บอกว่าเมื่อพระองค์เขียนเสร็จแล้วพระองก็ทรงลุกขึ้นตัดกับผู้นางนาทางศาสนาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนข้อที่แปก็บอกต่อไปว่าแล้วพระเยซูก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกพี่น้องครับ พระเยซูเขียนอะไรที่ดินพระเยซูเขียนว่าอะไรบ้างครับนักวิชาการก็พยายามเสนอแนะความเห็นบอกว่าพระเยซูคงจะเขียนบัญญัติสิะการของโมเสสนะครับแต่ก็มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าพระเยซูอาจจะเขียนชื่อของพวกเขาแต่ละคนและลิฟความบาปของพวกเขาแต่ละคนตั้งแต่คนเท่าคนแก่ ธรรมอาจารย์พวกปอดีสีทีละคนทีละคนทีละคนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพวกเขานะครับลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปทีละคนหลบไปทีละคนทีละคนทีละคนเริ่มตั้งแต่คนเท่าคนแก่ที่สุดผู้กล่าวหาแต่ละคนค่อยๆเลี่ยงหลบไปจนเหลือแต่ทั้งพระเยซูกับผู้หญิงคนนี้เท่านั้น เหลือเฉพาะพระเยซูกับผู้หญิงคนนี้เท่านั้นในข้อสิบครับพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอย๋ยพวกเจ้าพวกเขาไม่เอาผิดหรือพวกเขาหายไปในหมดไม่มีใครเอาโทษหรือเราเห็นความเมตตาความกรุณาพระไทยที่เปี่ยมไปด้วยการให้อภัยและพระเยซูตรัสกับนางอีกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพี่น้องครับนี่คือหัวใจของการยกโทษแท้จริงแล้วพระเยซูทรงทอดพระเนตรเข้าไปที่จิตใจของคนที่กำลังจะได้รับการอภัยโทษถ้าว่าเขาถ่อมใจเขาตรวจสอบชีวิตของตนเองและเขาล่วงรู้ถึงความรุนแรงของความบาปแน่นอนครับเขาย่อมเสียใจและกลับใจเมื่อกลับใจ ก็ต้องสารภาพเมื่อสารภาพจึงจะได้รับการจกความผิดพี่น้องครับเรื่องของการกลับใจนี้ผมขอเน้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยความถ่อมใจเสียก่อนนะครับตรวจสอบตัวเองฟังเสียงของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดูแลตรวจสอบชีวิตของเราเมื่อเราพบกับความผิดความบาปมลทินสิ่งที่ไม่สมควรการล่วงละเมิดกันละเว้นทั้งหลาย เราจึงสารภาพบาปครับแต่ตั้งใจที่จะไม่ทําอีกนำการอภัยโทษมาจากพระเจ้านี่คือกระบวนการของการกลับใจใหม่ครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าจงไปเถิดนั่นหมายความว่าพระเยซูไม่เอาโทษเขาและในขณะเดียวกันพระเยซูก็อวยพรเขาแต่พระเยซูมีเงื่อนไขครับอย่าทําผิดอีกเพียงครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเรากลับใจเราจะต้องมีท่าทีที่ตั้งใจจะไม่ทําบาปเช่นนั้นอีก พียงสังเกตนะครับว่าพระเยซูกำลังสอนอะไรเราพระเยซูกำลังสอนว่าก่อนที่จะตัดสินคนอื่นให้ดูชีวิตของตัวเองเสียก่อนให้ดูตาของตัวเองเสียก่อนว่ามีไม้ทั้งท่อนอยู่หรือเปล่าก่อนที่จะไปเขี่ยผงในตาของคนอื่นรู้แดงจุงใจของเราก่อนว่าเรารักเขาหรือเราหวังร้ายกันแน่พี่ต้องครับหลายๆคนบอกว่าคนมาโบตก็คือคนบาป ท, ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโบสจึงเป็นที่รวมของคนบาป ผมบอกว่าโบสถ์จริงอยู่เป็นที่รวมของคนบาปแต่เป็นคนบาปที่กลับใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนบาปกลับใจความบาปในโบสถ์และในชีวิตของคนคนนั้นก็จะลดน้อยลงนะครับแตกต่างจากโลกครับเพราะโลกนั้นไม่กลับใจแต่โบสถ์เต็มไปด้วยคนบาปจริงแต่เป็นคนบาปที่กลับใจใหม่ดังนั้นโบสถ์จึงเป็นสังคม หรือเป็นที่รวมของคำมิกชนที่รับการอภัยโทษแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสังคมของคนน่าชื่อใจคดแต่เป็นสังคมของคนที่ได้รับการอภัยโทษแล้วแต่ตั้งใจที่จะทําดีต่อกันมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตั้งใจที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการขับเคลื่อนโบสถ์ในการขับเคลื่อนขึ้นจักของพระองค์ให้เป็นไปตามน้ําำมัยของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเป็นคริจักที่อยู่ในน้ำมัธยของพระเจ้า และเราจะเป็นคนที่อยู่ในพระทยของพระองค์อาเมีน